ต้นสาธุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> เวลานี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานและกรรมฐานแล้วต่อเทนี้ไปขอได้โปรดฟังคำแนะนาอารมณ์ของประโสดาบันสำหรับวันนี้จะได้พูดถึงอารมณ์ของท่านที่ทรงความเป็นประโสดาบัน ท่านนังนหลายจะได้ทราบเลว่าคนที่เป็นเบโสดาบันแล้วมีอารมณ์เป็นยังไงส่วนใหญ่ของคนนั่นหลายมักจะมีความรู้สึกว่าคนที่เข้ามาเจริญพระกรรมฐานพรอสมถะ ภ, ภาวนาลือวิปัศนาภาวนาพอ <c oughs> เริ่มเข้ามาเจริญแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องตัดหมด นั่นเป็นความรู้สึกผิดของท่านที่มีความคิดอย่างนั้นความจริงการเจริญพระสมณธรรมมีอารมณ์เป็นขั้นๆโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งท่านที่ทรงจิตเป็นคณิกะสมาธิอุเบจาระสมาธิเรื่องปานามสมาธิสำหรับปานามสมาธินี้หมายถึงอารมณ์ฌาน ตั้งแต่ฌานที่หนึ่งถึงฌานที่แปดอารมณ์ประเภทนี้จะระงับได้เพียงนิวร์ห้าประการแต่ก็เป็นการเพียงระงับเท่านั้นไม่ใช่ตัดถ้ายังมีความประมาทจิตคิดชั่วฌานก็สลายตัวเป็นอันว่าผู้ทรงฌานโดยเฉพาะอย่างยิ่งฌานโลกี ยังไม่มีความหมายในการเจริญสมณธรรมในพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าท่านผู้นั้นจะได้มโนยิธิก็ดีได้พิญญาห้าในพิญญาหกก็ดีได้สองในวิชาสามก็ดีก็ยังไม่มีความหมายในการตัดอัมบายภูมิ ท่านเนี่ยตัดอัมภัยภูมิได้จริงๆก็คือตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปคำว่าพระโสดาบันแปลว่าผู้เข้าถึงกระแสรพระนิพพานฉะนั้นพระโสดาบันก็ยังตัดอะไรไม่ได้หมดเปลี่ยนแต่เพียงว่ามีอารมณ์ชนะสังโยชน์สามประการเบื้องต้นแต่เพียงอย่างหยาบเท่านั้น อารมณ์ชนะอสังโยชน์สามรายการเบื้องต้นก็คือหนึ่งสกายทิทิที่มีความรู้สึกว่าแตภาพร่างกายหรือว่าขันห้าเป็นเราเป็นข้เราเรามีในขันห้าขันห้ามีในเราเฉพาะอย่างยิ่งในอันได้สกายติทินี้พระโสดาบันลดลงมาได้เพียงเล็กน้อย ยังมีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราอยู่แต่ถ้าว่ามีอารมณ์ไม่ประมาทมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราจะต้องตายนี่แต่งกล่าวว่าปัญญาพสนาบัญกั ะ, ะสีทาคามีเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์มีสมาธิเล็กน้อยแล้วก็มี ปัญญาเล็กน้อยคำว่ามีสมาธิเล็กน้อยคืออารมณ์สมาธิของท่านผู้เจริญฌานสมาบัติมีอารมณ์ตั้งแต่ประทมไม่ฌานขึ้นไปยังไม่ถึงฌานสี่ก็สามารถจะเป็นพระโสดาบันได้สำหรับที่ว่ามีปัญญาเล็กน้อยก็ราะว่ายังไม่สามารถจะตัดขันห้าได้เด็ดขาดด้วยกําลังของจิต ยังมีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราแต่ถ้ว่าความรู้สึกของท่านมีความดีอยู่หน่อยหนึ่งว่าเราจะต้องตายยังไงยังไงก็ตายแน่เหมือนกับพิเภศการีเมียรงคิดถึงคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระธรรมสามิทิส่งจัด ว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ว่าความตายเป็นของเที่ยงท่านทั้งหลายจงอย่ามีความประมาทในสร้างกันในการสร้างความดีนี่ความรู้สึกของโสดาบันในด้านสกายธิฐิมีอยู่จุดนี้เข้าใจไว้ด้วยมีคนพูดกันว่าถ้าจเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐาน เจะต้องสามารถระงับทุกเวทนาได้หมดไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ร้อนไม่หนาวนี่ไม่ใช่ความจริงร่างกายยังมีความรู้สึกร่างกายยังมีจิตเป็นเครื่องรักษาร่างกายยังมีวิญญาณรู้การสัมผัสถึงแม้ว่าพระอราหันต์ก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีก็ยังรู้สึกรู้สึกเจ็บรู้สึกโปวดเหมือนกัน นิว่ากันถึงอารมณ์ของมอโสนดาบัรเมื่อจิตเข้าถึงเมื่อโสนดาบรนแล้วมีความไม่ประมาทในชีวิตมีความรู้สึกเสมอว่าเราจะต้องแก่เราจะต้องตายแล้วก็ขึ้นชื่อว่าความตายนี้ไม่มีนิมิตเครื่องหมายไม่ใช่ว่าจะไปกําหนดอายุการตายว่าต้องอายุเท่านั้นเท่านี้ จะตายจะในความเป็นเด็กหรือความเป็นหนุ่มเป็นสาวความเป็นคนแก่อาการที่จะตายอาจจะตายในโรคภัยไข้เจ็บอาจจะตายด้วยปฏิเหตุเนื้อตายเชา้าตายบ่ายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายกลางคืนตายเด็กตายหกขัําก็อเอาแน่นอนไม่ได้ฉะนั้นเบอร์โสดาบันจึงไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าถ้าเราจะตายก็เชิญ แต่ถ้าว่าเราจะตายอยู่กับความดีอารมณ์เขาไมาโสนาบันที่จะคัดค้านคำสั่งสอนเขาองค์สมเด็จพระจินทสีนั้นไม่มีคือว่าเป็นคนไม่สงสัยในคำสั่งสอนเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นดับที่สองที่เรียกว่าวิจิกิจฉาพระโสนดาบันตัดสังโย์ ตัวที่สองได้คือความสงสัยที่เรียกว่าวิธิกิจชาขึ่นเชื่อว่าความสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีในพระโสดาบันเกิดคนด้วยกำลังของปัญญาที่พิจารณาหาความจรงิงว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปัใจจัยให้เกิดความสุข และอันดับหลังศีรพรตาปร r มา a t ประโสดาบันย่อมทรงสินบริสุทธิ์ตามฐานะของตัวคำว่าฐานะของตัวก็หมายความว่าถ้าเป็นฆราวา์ก็มีสินห้าเป็นปกติมีสินห้าบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาไม่มีเจตนาในการทำลายสิน รักษาสินบริสุทธิ์ไม่ทําลายศินได้ตนเองไม่ยุ่อ้ายบุคคลอื่นทําลายศีลแล้วก็ไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทําลายศินแล้ว <c oughs> <c oughs> เป็นอันว่าประโสดาบันเป็นผู้มีความทรงอารมณ์อยู่ในศินเป็นสําคัญนักหน่วงในเรื่องของศิน ยอมตัวตายดีกว่าสิงขาดเป็นกันที่กล่าวมานี่หมายที่ว่าสังโยกสามเร ก, การนีประสดาบันิปฏิบัติมีจิตเข้าถึงตามนี้เีาก็ขอพูด ก, กันต่อไปว่าก่อนที่จะเข้าถึงความเป็นประโสดาบันจากโลกีเป็นโลกตระ ตอนนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเรียกว่าโคตรภูยานขณนะเมื่อารมณ์จิตของท่านผู้ปฏิบัติเข้าถึงโคตรภูยานคำว่าโคตรภูยานนี่ก็หมายความว่าจิตของท่านผู้นั้นยังอยู่ในช่วงระหว่างโลกิยะกับโลกุตระ แต่ถ้าว่าอารมณ์จิตตอนนี้จะไม่แขังอยู่นานบางท่านจิตจะทรงอยู่เพียงแค่ชั่วโมงหนึ่งหรือไม่ถึงชั่วโมงแต่บางท่านก็อยู่ถึงอาทิตย์สองอาทิตย์ถึงเป็นเดือนก็มีสุดแล้วแต่ความเข้มแข็งของจิตในช่วงที่จิตเข้าถึงโคตรภูญานท่านกล่าวว่าในขณะนั้น อารมณ์จิตของนักปฏิบัติจะมีความรักพระนิพพานอย่างยิ่งคือมีความรู้สึกอยู่เสมอว่ามนุษยสโลกก็ดีเทวโลกก็ดีพ ร, รมโลกก็ดีไม่เป็นแดนแห่งความสุขถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์มันก็ทุกตลอดเวลา ถ้าเกิดเป็นเทวดาก็พักทุกโชคราวหรือผมก็เช่นเดียวกันถ้าหมดบุญวาสนาบารมีแล้วก็ยังต้องจากเทวดาจากผมมาเกิดเป็นคนบ้างบางรายก็เกิดเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติเลชันเป็นอันว่าเขตตั้งสามจุดไม่มีความหมายสำหรับใจ จิตใจของท่านที่มีอารมณ์เข้าถึงโคตรภูยานใจพอมีความต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานเป็นปกติแต่ท้ว่าพอจิตพ้นจากโคตรภูยานไปแล้วก้าวเข้าสู่ความเป็นพระโสดาบันเต็มที่ที่เรียกกันว่าพระโสดาปฏิผลตอนนี้อารมณ์จิตของท่านละเอียดขึ้นมานิดหนึ่ง นอกจากจะรักพนิพานเป็นอารมณ์แล้วก็มีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นของธรรมดาการนินทาว่าร้ายเทียบรายกดขึ้นกับบุคคลคนใดกล่าวถึงเราจิตดวงนี้จะมีความรู้สึกว่าธรรมดาของคนที่เกิดมาในโลกมันเป็นอย่างนี้ความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้น การพัดพราเจกของรักของชอบใจเกิดขึ้นมีความรู้สึกหนักนในด้นของธรรมดาแต่ถ้าว่าธรรมดาของวบอโสดาบันยังอ่อนกว่าธรรมดาของพระอาหารหันมากฉะนั้นท่านที่เข้าถึงความเป็นเบอร์โสดาบันจึงยังมีความรักในระหว่างเพศยังมีการแต่งงาน ยังมีความอยากรวยยังมีความกโกรธยังมีความหลงท่้นนี้พ่ออะไรเพราะว่าท่านกล่าวไว้แล้วว่าพระโสดาบันมีสมาธิเล็กน้อยแล้วก็มีปัญญาเล็กน้อยหากว่าท่านหลายจะถามว่าถ้าคนยังมีความรักในเพศ ยังมีการแต่งงานยังมีการอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงก็ดูมันว่าพระโสดาบันก็คือชาวบ้านธรรมดาแต่ความจริงไม่ใช่ยา น, นความรักในระหว่างเพศก็ดีความอยากรวยก็ดี ความโกรธก็ดีความหลงก็ดีเขาพระโสดาบันอยู่ในขอบเขตของศีลเรารักในรูปโฉมนมพันมีการแต่งงานกันได้ระหว่างสามีพันยาในตอนนั้นพระโสดาบันจะมีความซื่อสัตย์สุจริตกับสามีและพันยาของตนเอง ยอมเคารพสิทธิในซึ่งกันและกันจะไม่นอกใจสามีและปัญญาขึ้นชื่อว่ากาเมสสมิชาจารย์จะไม่มีสำหรับพระโสดาบันจะทำให้ครอบครัวนั้นมีอารมณ์เป็นสุขและบริการี่สองพระโสดาบันยังมีความโกรธท่านโกรธจริง พูดเป็นที่ไม่ถูกใจแท่านก็โกรธทําให้เป็นที่ไม่ถูกใจท่านก็โกรธแต่ด้วยว่าเบโซดาบันมีแต่ร่โกรธไม่ประทุษร้ายให้เขามีการบาดเจ็บและไม่ฆ่าคนในรัชที่ทําให้เป็นกรธให้ถึงแค่ความตาย เป็นนันว่าความโกรธหรือความพยามบายของท่านอยู่ในขอบเขตของศีลจิ่โกรธแต่ว่าไม่ทำร้ายนี่แตกต่างกับคนธรรมดาตรงนี้สำหรับด้ความหลงของบสุนดาบันที่ขึ้นชื่อว่าหลงก็เพราะว่ายังมีความรักในเพศยังมีความอยากรวย เมื่อสักครู่นี้ข้ามขามายากรวยไปการอยากรวยขามะโสนาบันคือต้องการความรวยในด้านสุจริตธรรมเท่านั้นเรื่องการทุจริตคิดร้ายค่อยโกงบุคคลอื่นใดไม่มีในรมจิตขามะโสนาบันประกอบอาชีพอน ด, ด้วยความสุจริต รักสสยังรักในความสวยสดงดงามเพื่อรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศยังมีอยู่ยังมีความอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงที่ประวัยยังคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกยังมีของสวยข้อ ง, งาม การถือตัวถือตนแบบนี้จริงที่ว่ามีความหลงแต่ความหลงของบรรนดาบันนั้นไม่สามารถจะนำบุคคลผู้นั้นเมื่อและเวลาตายแล้วไปสู่บายภูมิได้จุดนี้ขอบรรดาท่านทั้งหลายผู้รับฟังจงจำไว้ ว่าความจริงอารมณ์ของพระโสดาบันนั้นไม่แตกต่างกับชาวบ้านธรรมดาเท่าไรนักชาวบ้านธรรมดายังมีความรักในเพศจะมีสามีพันยาแต่เ้าว่ายังมีการนอกใจสามีนอกใจพันยาสำหรับพระโสดาบันไม่มี ชาวบ้านอยากรวยรวยก็จะมีการคบคิดกันโกงมีการยื้อย่างโชกชิงวิ่งราวทรัพย์สำหรับประสงฆ์บรรดาบันถ้าต้องการรวยก็รวยด้วยการสุจริตหากินด้วยความชอบธรรมต่างกันตรงนี้พระสงดาบันมีความโกรธชาวบ้านโกรธแล้วก็ปรารถนาจะประทุสลายถ้ามีโอกาสก็ประทุสลายบุคคลที่เราโกรธ ถ้าสามารถแก้ฆ่าได้ก็ฆ่าสำหรับพระโสดาบันมีแต่ความโกรธถึงการประทุษร้ายไม่มีการฆ่าการประหารกันไม่มีนี่ต่างกันกันกบชบาวบ้านพระโสดาบันยัมีความหลงตามที่กล่าวมาด้วยการที่ผ่านมาแล้วแต่ได้ว่าพระโสดาบันก็ไม่ลืมคิดว่าเราจะต้องตาย เมื่อเราตายแล้วเราจะต้องพัดพลาดใจของรักของชอบใจตอนนี้พระโสดาบันไม่เสียใจไม่เสียดายถือว่าถ้าตายเรามีความสุขพี่ขอท่านหลายจัมาการอารมณ์จิตที่เข้าถึงพระโสดาบันไว้ด้วย ตอนนี้อยากขอพูดอีกนิดหนึ่งเพื่ออารมณ์ความจริงของพระโสดาบันที่เรียกกันว่าองค์ของพระโสดาบันคำว่าองค์ก็ได้แก่อารมณ์จิตที่ทรงไว้อย่างนั้นอย่างแนบแน่นสนิทนั่นก็คือหนึ่งพระโสดาบันมีความเคารพในพระพุทธเจ้าอย่างจริงใจ ไม่คลายในความเคารพในพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะมีเหตุใดๆเกิดขึ้นใครจะมาจ้างจะให้รางวัลมากๆให้กล่าวว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์แม้แต่พูดเล่นพระสงฆดาบัญก็ไม่พูดดั้งนี้เพราะไดเพราะว่าท่านมีความเคารพในพระพุทธเจ้า มีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระอาริยสงฆ์อย่างจริงใจแต่ได้ว่าระวังให้ดีถ้าพระสง์เหลวพระโสดาบันไม่ใส่ข้าวให้กินตัวอย่างพิสุโกสัมพีมีความประพฤติชั่วตอนนั้นครวัตที่เป็นพระ อ, ร, อริยเจ้านับหมืน่นไม่ยอมใส่ข้าวให้กิน ถ้าถือว่าเป็นโจรปล้นพระพุทธศาสนาเป็นผู้ทำลายความดีไม่ใช่ว่าเป็นพระอาเรียเจ้าแล้วแล้วก็จะเมตตาไปสทุกอย่างท่านเมตตาแต่คนดีเดียวว่าบุคคลผู้ใดมีความประพฤติชั่วแนะนำแล้วสามารถจะกลับตัวได้พระโสดาบันก็เมตตา ถ้าเขาชั่วแนะนำและไ ม, ไม่สามารถจะกลับตัวได้พระโสดาบันก็ทรงเวียดขาคือเฉยไม่สงเคราะห์โปรดจรําอารมณ์ตรงนี้ให้ดีในการต่อไปพระโสดาบันมีศีลบริสุทธิ์ขอพูดย่อให้สัน้นว่าองค์ของพระโสดาบันก็คือหนึ่งมีความเคารพในพระพุทธเจา้า สองมีความเคารพในพระธรรมสามมีความเคารพในพระอริยสงฆ์นิจจปันองค์มีสามด้ยการแต่สิ่งที่แถมขึ้นมานั่นก็คือรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่หวังผลตอบแทนไม่หวังความดีมีชื่อเสียงในชาติปัจจุบัน มีความรู้สึกต้องการอยู่อย่างเดียวว่าเราทำความดีทุกอย่างเพื่อพระนิพพานเท่านั้ น, นอารมณ์จิตตอนนี้ของบรรดาท่านพุทธบริษัทพิสุทธมมเนรทุกท่านต้องจำไว้จงอย่าไปคิดว่าพระโสดาบันเนี่ยเลอเลือดไปถึงอารมณ์อหรหันต์โดยมากมม่เจะคิดว่าอารมณ์ของพอระอรหันต์เป็นอารมณ์ของพระโสดาบัน ก็เลยทํากันไม่ถึงให้เวการคิดผิดความจริงการเป็นพระโสดาบันนี่เป็นง่ายี <c oughs> อารมณ์ไม่หนักที่หนักจริงๆก็คือศีลอย่างเดียวตอนนี้ไปขอพูดถนะึงการของพระโสดาบันที่พึงได้พระโสดาบันจัดเป็นสามขัน้นคือหนึ่งสตาขับตุ สำหรับที่ท่านเป็นรบโซดาบันเมียรมยังอ่อนจะต้องเกิดและตายในระหว่างธิวดาหรือพรมกับมนุษย์อีกอย่างได้เจ็ดชาติเป็นมนุษย์ชาติที่เจ็ดจะเข้าถึงความเป็นอรตัตนผลถ้าเมียรมเข้มแข็งไปกลางที่เรียกชันว่าโกลังโกละ อย่างนี้จะทรงความเป็นเทวดาหรือมนุษย์อีกสามอย่างละสารชาติครบเป็นมนุษย์ชาติสามเป็นพระอรหันต์สำหรับพระโสดาบันที่มีอารมณ์เข้มแข็งนั่นก็จะเกิดเป็นเทวดาครั้งเดียวมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นอรหรันต์ ที่พูดตามนี้หมายความว่าท่านผู้นั้นเมื่อเป็นพระสดาบันแล้วเกิดใหม่ไม่ได้พบพระพุทธศาสนา <c oughs> จะต้องฝึกฝนตนเองอยู่เสมอทุกชาติแต่ว่าความเป็นมิจฉาทิฐิในชาติต่ตอๆไปจะไม่มีแก่ประโสูดาบันเพราะว่าพระโสูดาบันไม่มีสิทธิจะไปเกิดเป็นสัตว์นรก เป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติเรฉันจะเกิดได้แค่ช่วงแห่งความเป็นมนุษย์กับเทวดาหรือผมสลับกันเท่านั้นเป็นนั้นว่าพระโสดาบันนีถ้าท่านหลายพิจารณาให้ดีแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นของไม่อยาก หากว่าท่านอยากถามว่าพระโสนาบันท่านขั้นสตาคตุงโกลังโกละและเอกวิชีมีอารมณ์ต่างกันยังไงวิเอขอตอบว่าพระโสนาบันขั้นสตาคตุงมีจริยาคล้ายชาวบ้านธรรมดามากยังมีอารมณ์รุนแรงในความรัก ยังมีอารมณ์ดังในความในความโลภในความโกรธในความหลงแต่แต่ว่าเป็นผู้มั่นคงในศินไม่ละเมิดสำหรับประโสดาบันขั้นโกลังโกละขั้นโกลังโกละนี่มีอารมณ์เยือเย็นมากหรือว่ามีความมั่นในคนพระราชนตรยัยมีศินมั่นคงมาก ความจริงเรื่องสีนี้มันคงเหมือนกันแต่่จจิตของท่านเบาบางในด้านความรักความโลภความโกรธความหลงความคำหนึง่งเทอะรมอย่างนี้มีอยู่แต่ก็น้อยถ้ามีคู่ครองเขาแยโทษว่ากามาคุณพระจะลดจยนลงไปความสนใจในเพศความสนใจในความโลภ อารมณ์แหงความโกรธอารมณ์ความหลงมันเบากระทบไม่ค่อยมีความรู้สึกสำหรับประสวนทาบัญขั้นเอกวิชีในตอนนี้อารมณ์ของท่านผู้นั้นจะมีอารมณ์ธรรมดาอยู่มากขอท่านทั้งหลายโปรดอย่าลืม ว่าพระอเรียเจ้าจะเป็นครวา่ายกนดีจะเป็นพระกนดีจะเป็นเองกนดีจะเป็นคนมีจิตละเอียดไม่ขัดคำสั่งผู้บงังคับบัญชาและไม่ขัดคำสั่งไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบวินัยและกฎหมายอันนี้เป็นอารมณ์ของมโสดาบบันที่ท่านหลายจะเพึงทราบ สำหรับเอกวิชีนีความจริงมีอาการจิตใกล้พระสกิทาคามีแต่ได้ ว, ว่าสิ่งที่จะรับไปได้นั้นกดด้วยกำลังของศีลมีความรู้สึกว่าเราจะต้องประครับประคองศีลของเราให้แจ่มใสอยู่เสมอมองดูความรักระหว่างเพศหรือว่าความร่ำรวยหรือว่าความโกรธ หลงในระหว่างเพศหลงในสภาวะต่างๆเห็นว่าเป็นของไร้สาระมีอารมณ์เบาในความปรารถนาในสิ่งนั้นๆแต่ถ้าว่าก็ยังมีความปรารถนาอยู่อราบันดาสาวกของสมเด็จพระบรมครูเมื่อพูดมาถึงจุดในวันนี้ก็คงไม่ได้อรรมณ์ในการปฏิบัติ แต่เราว่ารวมการปฏิบัติในความเป็นพระโสดาบันท่านฟังกันมาแล้วสองคืนอย่าอัดก็ผมเองมีความรู้สึกว่าท่านนางหลายคนจะรู้สึกว่าง่ายสําหรับท่านแต่ท่านหากว่าเห็นว่ารวมคำว่าโสดาบันยากนี่ถ้าเป็นพระหรือเป็นเนนผมไม่ถือว่าพระหรือว่าเนน ผมถือว่าเป็นเถนเถ็นในที่นี้หมายความว่ามีสระเอีนํำหน้ามีทออทงแล้วก็นอนูเขาแปลว่าหัวขโมยคือขโมยอาเพ่ของพระเดียเจ้ามาหลอกลวงชาวบ้านตามปกติพระกับเนนีต้องทรงศีลบริสุทธิ์อยู่แล้วอะไรพูดไปเวลาม่นเกินไปหนึ่งนาที ก็ขอพอไว้แต่เพียงนี้หวังว่าท่านังหลายคงจะเข้าใจต่อจากนี้ไปขอท่านังหลายตั้งกายให้ตรงทำรงจิตให้มันจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามนั่งก็ได้ยิงก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้ตามอธัธยาศัย ทรงกำลังใจควบคุมอารมณ์ความเป็นประโนด่าบัญของท่านไวจ้จนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี